อยู่ว่างไม่ได้นะอยู่ว่างมันจะฟุง้งซ่านมีเวลาว่างๆ5้านาทีสิบนาทีภาวนาไปเก็บไปเรื่อยๆฝึกให้มันเป็นนิสัยมีเวลาปุ๊บก็ดูกายดูใจไปหรือจะน้อมใจเข้าหาความสงบอะไรก็ได้ น, นี่ใสเคยหลงไหมก็หลงไปเรื่อยๆ น, ะ น, นี่ใสเคยรู้สึกตัวเมื่อจะรู้สึกตัวแต่ไปรู้สึกอัตโนมัตินะ่ะเผลอไม่นานตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมพยายามฝึกตัวเองเผลอก็เผลอไม่นานะแปบ๊บหนึ่งก็รู้แล้วแล้วฝึกจนมันอัตโนมัติก็มีความรู้สึกอะไรมาเรา้า ม ม, มีสิ่งเลานะจิตเ็กระโจนเข้าไปใส่อย่างมีเรื่องราวบางเรื่องความรู้สึกบางความรู้สึกผุดขึ้นมาจิตเราก็กระโจนเข้าไปใส่เห็นรูปมีสิ่งเลาทางตาจิตก็กระโจนเข้าไปมีสิ่งเลาทางหูจิตก็กระโจนมีธรรมารมมาเลาภายในจิตก็กระโดดเข้าใส่ เคยเห็นเขาฝึกหมาไหมฝึกหมานะอะที่โยนอันนี้ไปมันก็วิ่งไปคาบะพอโยนไปทางนี้มันก็วิ่งอีกพวกเราอพี่ผ่านมาฝึกจิตตัวเองเหมือนหมาเลยนะเหมือนที่เขาฝึกหมาเลยวิ่งตะครุบวิ่งตะครุบไปเรื่อยตกครุบ ไ, ไปเรื่อยๆนะพอปล่อยอันนี้ก็ตะครุบอันนี้ จิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้แกล้งว่ า, างันถ้าเราไม่ฝึกจิตมันก็ตะครุบไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องเลยตอนที่จิตไล่ตะครุบเนี่ยจิตหลงไหมห ล, ลงหลงเนึองๆไปสู่ภูมิอะไรสู่พบอะ ไ, ไรเดียรละฉานงั้นที่เปรียบเหมือนหมาเนี่ยไม่ผิดหรอก หลวงปู่มั่นท่านก็เคยด่านะท่านเทศดุเดือดพระองไหนจิตกระโดดตะครุบอารมณ์มีอะไรก็ตะครุบมีอะไรก็ตะครุบท่านบอกทำตัวเหมือนหมาบ้างับไมค์ขอนภาษาอีสานหมาบ้างับไมค์ขอน ใครเอาไม้โยนไปทางไหนวิ่งเป็นนับเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ใช่เป็นหมาบ้างานใจเราเป็นหมาบ้าขึ้นมาเรารู้ทันไหมค่อยๆฝึกมันคือมันเคยชินพอกระโดดปุ๊บรู้ปั๊บแล้วยังไม่ทันจะคาบใหม่เคยเห็นหมาไหมเวลามันคาบแล้วมันภูมิใจอะเนี่ยวิ่งก็ภูมิใจ เมือเวลาให้จิตพวกเราไปตะครุบอารมณ์แล้วก็งานถึงใจบางทีครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้น่าฟังใ่ไมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บมันก็เริ่มตะครุบแล้วรู้สึกไหมตะครุบอะไรส่วนใหญ่ตะครุบความคิดเมื่อกี้เนี้ย เห็นไหมกระโดดลงไปแล้วหลงนะเนี่ยเห็นไหมนี่ตะครุบทางตาเนี่ยคอยรู้ทันนะเวลาจิตมันตะครุบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจพยายามรู้ทันไปรู้ทันพฤติกรรมของมันก็คือรู้รู้ความหลง น, นั่นเอง พูดถึงว่าหลงทางตาหวจมูกลิ้นแก่ใจมันไม่เห็นภาพพจนเหมือนหมากระโดดตะครุบตรงโน้นตะครุบตรงนี้มันมองง่ายหน่อยมันใกล้เคียงกับที่พวกเราเป็นหนีไปยังไปตะครุบอะไรดูออกไหมเออมันแอ บ, บไปอันนี้หมาหมาฟุงสัาน ยังไม่รู้จักแต่ครุปอะไระเออพวกเราที่มีลูกมีหลานนะช่วยสอนให้มันรู้จักรักสัตว์รู้จักรักธรรมชาติหน่อยนะคนรุ่นนี้นะมันห่างไกลธรรมชาติไปเรื่อยๆแล้วนะอย่างเด็กบางทีเลยก็เล่นกระสั์นะ สัตว์ได้รับความทุกข์จากการเล่นของเด็กเมื่อเดือนก่อนมีจับเอาแมวเด็กจับแมวไปใส่ทางขยะปิดฝาไว้ทั้งพระทั้งคนในวัดก็เที่ยวหาแมวแมวหายนว่าหมูเอาไปกินแล้วผ่านไปสองวันตากแดดอยู่สองวันแนละ้วถงขยะก็นหนึ่งคืน เด็กคนงานผ่านไปได้ยินเสียงแมวร้องแแฮบๆหมดแรงแล้วเป็นคนคงตายแนละ้วอยู่ในทางปฏิกตัตกแดดสองวันเมื่อก่อนมีเคยอ่านข่าวนะนานแล้วเป็นฤดูร้อนเด็กก็สงสารแมวแมวหรือลูกหมาหลวงพ่อจะไม่ได้เอาไปใส่ตู้เย็น สงสารมันมันร้อนนะสอนสอนมันหน่อยนะทารุณสัตว์คนยุคนี้มันไม่คิดถึงสัตว์ไม่คิดถึงอะไรนะมันเผาป่าเผาอะไรเนะี่ยสัตว์ลำบากมากเลยที่ออสเตรเลียก็เผาเล่นมันเข้าขั้นเผาเล่นนะที่นั้น พวกวัยรุ่นหรือพวกคนแก่เงาเงาไม่มีอะไรทำก็จุดไฟเผาทุ่งเผาป่านี่จะคลายเป็นไฟเผาโลกสิ่งแวดล้อมเสียหายมหาศาลเลยอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นน้ำแข็งละลายมากขึ้นน้ำก็จะท่วมเยอะขึ้น อ, อากาศก็เลวร้ายปีนี้อากาศแย่มากๆเลยปีไกล วัดอะไรพีเอมสองจุดห้าที่วัดนี่ยี่สิบเองอนะปีนี้เมื่อวันวัดเนี่ยป้าเข้าไปแปดสิบกรุงเทพน่าร้อยกว่าร้อยห้าสิบกว่าเลวที่เนี่ยล้วอเอาวันเนี้ยเหรอถ้ามันชื้นนี้แนะนำจะเก็บฝุ่นเอาไว้ถ้าอากาศมันชื้นชื้นนะ่นา ก, กลัว ถ้าพียงมันสูงอย่างนี้พวกเรารีบกลับบ้านเถอะไหมเอาใครจะส่งกันบ้านว่ามามีตัวผู้รัวครับที่อยางใรู้ตัวผู้รัวครับเวลาตั้งใจดูเนี่ยมันเห็นเป็นนันนานแต่ว่าตอนที่มีสมาธิดีๆแล้วดูแบบสบายๆครับ มันก็เห็นรู้เกิดรู้ดับเกิดตั้งไรทีเนี้ยมันก็เคยมีจังหวะที่เห็นว่าตัวรู้เนี่ยมันดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรามันเห็นแล้วมันเป็นเหมือนไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยพอเผลอเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมาแต่พอมันมีสติรู้ว่าไปรู้ว่าเอยเนี่ยเหมือนมีตัวเราอยู่ไอ้ตัวเรานะก็มันหายไปที ตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาครับทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาสำหรับตัวเองครับที่ว่ามันเหมือนไปตั้งเป้าว่าเออเนี่ยมันต้องทําลายตัวนี้ให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลานะทําลายตัวรู้เนี่ยมันขั้นสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าทําลายความเป็นตัวเราความเห็นผิดใช่ครับคือทําลายไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราทําลายตามใจชอบไม่ได้ ตัวที่จะเป็นผู้ทำลายความเห็นผิดคือตัวปัญญาหน้าที่เราก็คือมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องงั้นเราฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เจริญสติดูกายดูใจไปสุดท้ายปัญญามันเกิดมันก็เห็นความจริงหน้าที่ราเป็นหน้าที่ของปัญญา เรามีหน้าที่รู้อย่างที่มันเป็นนะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ามีความเป็นตัวเราอยู่แสดงว่าปัญญามันยังไม่ช่วยตัดให้ขาดใช่ไหมครับเออมันเป็นปัญญาในขั้นต้นๆยังไม่เป็นสมุทเฉดนะไม่ใช่อริยาปัญญาไม่ใช่โล ก, กุตระงั้นยังควรจะปฏิบัติเหมือนเดิมตั้งเพ้าเหมือนเดิมหรือว่าเราควรจะ เริ่มดูอย่างอื่นไปด้วยเพราะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปสนใจตรงนี้มากเกินไปเราไม่ได้แบบดูเรื่องของการทำให้กิเลส ต, ตัวอื่นละไปด้วยอย่างเช่นพวกแบบราคาอะไรต่างๆเนี่ยตรงที่อยากดูตัวนั้นอนะราคาเกิดแล้วมีอะไรให้ดูก็ดูนนั่นแหละไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะดูตัวไหน ตัวไหนเกิดก็เอาตัวปัจจุบันนั้นไปในหลวงองค์กนะ่อนเคยถามหลวงปู่ดูล น, นะว่าควรจะดูกิเลสตัวไหนก่อนนะท่านคงคินอย่างที่เราคิดนะหลวงปู่ดูลบอกว่ากิเลสตัวไหนเกิดก็ดูตัวนั้นแหละดูตัวปัจจุบันเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ มี่อารมณ์อะไรเกิดขึ้ น, นก็ลงไปคุกคุกอยู่ในนั้นนะะอารมณ์อะไรถ้ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตมันก็เข้าไปคุกคุกอยู่ ใ, ใช้ในไ<ด>นะคะ<ช> ไ, <ด>ไม่ยอมออกด้วยแต่มันใจ<ช>เห็นว่าจับปล่อยจับปล่อยจิตไปคลุกอารมณ์รู้ว่าไปคลุวอารมณ์ใช้ได้แล้วพอจิตไปคลุกอารมณ์ไม่ชอบไม่รู้ว่าไม่ชอบใช้ไม่ได้ถ้าตะครุบอารมณ์แล้วก็ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใช้ได้อีกละ มันจะใช้ได้มันใช้ไม่ได้อยู่ที่รู้ทันตัวเองหรือเปล่านะรู้เป็นช็อตๆไปกิเลสที่หลวงพ่อให้กันบ้านไปดูก็ดูตัวมานะทิฏฐิก็เห็นได้บ้างถ้าเห็นแล้วเราจะน่ารักนะจะน่ารักขึ้นเพราะตัวทิฏฐิมานะ น, นี่คนไม่ชอบทำไมเขาไม่ชอบคนเซ ล, ล์จัดเพราะมันกระทบเซล์เขา เซลกับเซลชนกันเดี๋ยวก็ตีกันแล้วก็คุณหลวงพ่อที่ให้หลักสองวันนี้ค่ะไปทำเอานะที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยมันเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงจริงไม่ใช่เรื่องเพอเจ้อพูดไม่ยึดนู่นไม่ยึดนี่อะไรนี่เพอเจ้อเท่าจริงๆมันยึดยึดเราไม่เห็นใช้ไม่ได้ยึดเราเห็นใช้ได้เห็นแล้วอยากจะปล่อยใช้ไม่ได้ รู้ว่าอยากจะปล่อยใช้ได้กาวหลวงพ่อครับมันก็จะมีตอนตื่นนอนครับที่มนันมาแล้วมันแบงแบงครับมันไม่รู้ว่าจะดูอะไรมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับก่อนที่จะทาต่อได้ครับหลวงพ่อให้หลับตอนตื่นได้ไหมครับแบงแบงก็เป็นสภาวะหนึ่งก็รู้ว่าแบงแบงอยู่ใจไม่ชอบดินรน อยากหาอะไรที่มันหยาบหยาบกว่านั้นรู้ว่าใจไม่ชอบตัวที่แบรนเพมันสภาวะมีอยู่ตลอดนะไม่ใช่ตอนตื่นนอนไม่มีแต่เรานึกว่าตัวนี้ยังไม่ใช่สภาวะมันแบงแบนแบงแบนกว่าสภาวะส่งกับบ้านหลวงพ่อปีที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายหนูก็ดูมามาตลอดยืนเดินนั่งนอนอืม แล้วก็พิจารณาว่าตัวรู้ผู้ถูกรู้ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกเป็นอัตโนมัติว่ามันไม่มีตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรายืนเดินนั่งนอนใน ป, ปกติปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมจะเบากว่านี้แล้วก็คือถ้ายังประคองอยู่น ะ, ะแล้วไม่มีเราอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้มันไม่มีเราเพราะว่าเราไปบังคับจิตให้นิ่งๆต้องเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติจริงๆ ถ้จะมีเราก็รู้จะไม่มีเราก็รู้นะแต่ถ้าจิตทรงสมาธิอยู่แบบเนี้ยจะไม่เห็นอะไรต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไหวจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาบางครั้งก็มีแบบเสียวแวบๆแตรงท้องบ่อยๆนะก็รู้เอาเสียวแวบๆที่ท้องใจเราเป็นไงสงสัยว่อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าสงสัยะนเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อย พอมันนิ่งๆแล้วพอเราเริ่มเ อ, อมีสภาวะธรรมมันก็จะแป๊บๆขึ้นมาอย่างเงี้ยบ่อยๆก็แค่รู้นะแล้วก็มีสว่างอยู่เรื่อยๆเลยค่ะในเรื่องของสมาธิค่ะหนะลวงพ่อถึงบอกว่าจิตมันติดสมาธิอยู่นะงั้นมันจะสว่างอยู่ได้เป็นกลับเลยะนะคราวนี้พอมันสว่างแล้วเราต้องอย่างแล้วก็รู้ไปว่าสว่างเออสว่างแล้วพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้นะ สว่างแล้วสงสัยว่าจะทายังไงดีรู้ว่าสงสัย <คะ S 2> รู้สภาวะไปเไรื่อยๆถ้ารู้ว่าพอใจก็สว่างไปเรื่อยๆอย่างนี้แหะเรื่องของมันก็ปล่อยมันไปให้มันจะสว่างไปจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเราก็บังคับมันไม่ได้เมื่อมันสว่างใจเราพอใจรู้ว่าพอใจนี่ดูปฏิกิริยา <คะ S 2> ของใจต่อสภาวะอีกทิง ของโยอมอยาคิดเดยอะนะรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเรื่อยๆคิดเดยอะก็จะวุ่นวายขอขอการบ้านหลวงพ่อครับกับไปทำอะค่ะสอนให้แล้วนะไปดูเรียนรู้สภาวะฉีดหลงแล้วรู้ไปดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมดีกว่าเมื่อวานครับเออถูกๆดูออกไหมว่าจริงๆเราก็ยึดความคิดความเห็นของเราแรงเหมือนกัน ตัวนี้ดูออกไหมดูออกครับเออไปดูไปแล้วจะน่ารักก็ใช้ดูลมหายใจกับขุดโธสลับกั น, นถ้าจิตฟุ้งซ่านมากๆก็จะใช้พุดทโถท ก, ก็สลับไปสลับมาได้กรรมฐานมีสักอย่างสองอย่างนได้นะอย่าเกินสามอย่างจะฟุ้งซ่านแล้วก็ดูกายกับดูจิตสลับกัน มันสลับเองหรือว่าเราสลับมันสลับเองครับเราเรียสลับเองถูกเราจงใจหนึ่งชั่วโมงจะดูกายหนึ่งชั่วโมงจะดูจิตเพียงละเกอแล้วแต่ผัสสะมันจะเข้ามาเป็ไงถูกเห็นไหมผัสสะเราก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับอืมพอมีผัสสะแล้วจิตจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเลือกไม่ได้ครับดูออกไหมนี่แหละเรียนบางเรียนไปเรื่อยๆตอนนั้นะ จะเห็นอนัตตาใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเขาจาเป็นจริงๆนะหลวพ่อไมค่อยมีเสียงเท่าไหร่หรอนมาสการหลวงพ่อค่ะอืคืออยากภาวนาค่ะอือพูดเหมือนหลวงพ่อเลยหลวงพ่อไปหาหลวงพูดุลหลวงปูดด่รปครับผมอยากภาวนา หนูมีปัญหาคือทําในรูปแบบอทําไม่เป็นนะคะเหรอท่องพุโทโธเป็นไหมท้องเป็นค่ะเออท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านใจตัวเองนะท่องพุโทโธทั้งวันเลยถ้ามีเวลานะไม่ต้องทํางานไม่ต้องเรียนอะไรก็ท่องพุโทโธไปดีกว่าปล่อยให้มันคิดเพอ้อเจอ้อไปของหนูจิตมันฟุ้งซ่านนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ พุโทโธไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบพุโทโธแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยไปทําอย่างนี้ลงพ่อคะ่ะถ้าหนูเป็นคนเครียดปล่อยไอ้เครียดนี่มันเอามาภาวนาได้ไหมคะได้แต่อย่าอยากให้หายน ะ, ะถ้าเครียดรู้ว่าเครียดใช้ได้พอรู้ว่าเครียดแล้วอยากให้หายใช้ไม่ได้ เ้าเกิดรู้ทันว่ากาลังอยากจะให้หายเครียดใช้ได้อีกแล้วเมื่อไหร่รู้ทันสภาวะที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่เมื่อนั้นใช้ได้เมื่อไหร่ไม่รู้ทันสภาวะเมื่อนั้นใช้ไม่ได้ใน่โยมเนี้ยหลงแล้วดูออกไหมดีให้มันหลงไปหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้นะดีกว่าไม่หลงเลยแล้วก็นั่งเฝ้าอย่างเงี้ยไม่ดีอ๋อแล้วก็บางที พอเวลาหนูทำอย่างเดินจงกลมหรือว่าพัดเนี้ยคะ่ะมันชอบมีจังหวะที่เหมือนมันลอยๆอยหนูไม่รู้ว่ามันทำผิดหรือยังไงไม่ผิดหรอก <c oughs> จิตมันจะอารมซ้ำซากไม่มีอะไรเด่นเด่นบงทีมันก็เลื่อนๆลอยๆไปเราเราต้องทำเราก็รู้ว่ามันลอยๆรู้บางทีเหมือนรู้แล้วมันก็ยังลอยอยู่เหมือนไม่ตื่นยังไงอยาก <ไป S 1> หายรู้สึกไหม <c oughs> ให้รู้ว่าอยาก คือโ น, โน<า>ก็ไปหัดดูน ะ, ะไปหัดดูไปต่อไปก็จดูทันสภาวะที่กําลังเป็นท้ายสุดหนโูขอกลับขอเข้ามาหลวงพ่อนะคะอืที่เคยลงเกินหลวงพ่ อ, อืมทางกายหรือทาง ใ, าาใไม่เป็นไรธรรมดามันก็ล่วงเกินกันไปล่วงเกินกันมาะบางคนยังแปลกหนักนะไม่รู้จักหลวงพ่อนะมันด่าเราเฉยๆก็มีนะมไม่เคยรู้จักอะไรกันนะ เภาองนี้อ้วนเกินไปแม่ก็พ่อกูอ้วนอ่ะแม่กูก็อ้วนอ่ะเป็นกรรมพันธ์เนี่ยมีอยู่คนนะหลวงพ่อไปเทศที่อเมริกานะมาก็มาช้านะมาหลังเราเทศไปพักหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาพอเปิดประตูมาเห็นหน้าหลวงพ่อนินทาละอ้วนเดินไปสามสี่เก้ามามอกอ้ว น, นแล้วไปห้องน้ำนะออกจากห้องน้ำมา นี่แหละนะเสือพีหรือสีผอมวันอย่างเนี้ยไม่ได้หรอกหายไปพักหนึ่งนะตามมาเมืองไทยมาขอข้ามานะบอกหนูอธิษฐานเรื่องเดียวหนูขอความผอมของหนูคืนมา <c oughs> วนวนเอาว่วนเอาเลยตั้งแต่วันนั้นขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะดูไปธรรมะสนุกออกไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียด นะรู้ทันตัวเองสุกสนุกเราชอบรู้ทันคนอื่นไม่รู้ทันตัวเองรู้ทันคนอื่นนะจะเกิดทุกข์รู้ทันตัวเองก็จะพ้นทุกข์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าตัวเองดีมาตลอดเจ้าคะ่ะทราบแล้วค่ะว่าจิตมันดือ้อแล้วก็ดีขึ้นมากแล้วละค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงยัง หนหนน็นแหละดีแล้วล่ะที่ภาวนานะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขันมันแยกเป็นธรรมชาติสมาธิก็ใช้ได้จิตก็ทรงกําลังขึ้นมาดูออกไหมเริ่มเริ่มคิดว่าพอเข้าใจคําว่าถึงฐานบ้างแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละมันถึงฐานนะแล้วมันมีแรงไม่ใช่ถึงฐานแบบกระปรกกรเบีๆๆๆเยด <c oughs> มันมีแรงมันตั้งมั่นอยู่โดยที่เราไม่ได้เจตนา ไปฝึก อ, อีกไหอที่ท่านบอกว่าที่เขาเคยเห็นว่ามันจะมีไหวๆเนี่ยเอาไว้ดูเป็นเป้าหมายต่อไปไหมคะอย่ไปตั้งเป้าเลยมันมีให้ดูก็ดูพอดูแล้วจิตเกิดปฏิกิริยายัางไงก็รู้ท่านจิตไปไหวๆ ไ, วไม่ใช่จิตหรอกอก็เป็นอะไรไม้อีกท่อนหนึ่งที่เอาไว้หลอกมาบ้านนั่นแหละ คือตอ น, นแรกเข้าใจว่าทุกคนต้องผ่านแบบนั้นเจ้าค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรับขอบพระคุณเจ้าค่ะครูบาอาจารย์สายวัดป่านะกว่าท่านจะเห็นไหวๆเนี่ยทั้ขั้นที่สามแล้วแล้วถึงจะมาดูจิตกันของเราเรียนรัดเข้ามาตรงนี้เลยถ้าบุญบารมีพอขยันพอภาวนาถูกมันก็ก้าวกระโดดไปได้เร็วหลูงูดูนะหลูงูดดูนะ เรียนกันหลวงปู่มั่นที่อุบลที่แรกหลวงปู่มั่นก็สอนพุทธโธพิยนั ก, กายท่านก็ไปทำํทำทําไม่นานนะท่านก็มารายงานหลวงปู่มันนะ่นว่ากิเลสสี่ส่วนผมเห็นแล้วว่าผมละเด็ดขาดได้หนึ่งส่วนส่วนที่สองผมละได้ครึ่งหนึ่งอีกสองส่วนยังละไม่ได้หลวงปู่มั่นบอกฉลาดที่รู้ทันกิเลสตัวเอง แล้วหลวงปูมั่นก็สอนธรรมะให้สเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาให้ไปภาวนานี้แหละสเพสังขาราสังขารทั้งหลายสเพสังขาราสัพพสัญญาทั้งสังขารทั้งสัญญาไม่เที่ยงทั้งสังขารทั้งสัญญาเป็นอนัตตา อ น, นี้เป็นเรื่องการดูจิตทั้งหมดเลยะเพราะฉั้นคนที่สอนหลวงปู่ดูลดูจิตก็คือหลวงปู่มั่นนั่นแหละตอนแรกก็สอนพูดโท พ, พี่นาค ก, กายนะพอผ่านขั้นแรกแล้วท่านสอนดูจิตเลยท่านรู้ว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยสามารถผ่านตรงนี้ไปได้เลยหลวงปู่ดูลไปดูอยู่ไม่นานนะก็กลับมาหาหลวงปู่มั่นนะไม่มีคําถามนะ หลวงปูมั่นก็อนุโมทนาเฉยๆท่านเร็วมากนะเร็วตั้งแต่หลวงปู่มั่นยังอยู่บนเนะลยหลวงปู่ดูนะ่ะผ่านไปล้ตรงที่ท่านผ่านนะท่านดูสังขารดูสัญญามันทํางานเห็นสังขารกับสัญญาทํางานร่วมกันอย่างบางทีสัญญาก็ผุดขึ้นมาอย่างเรานั่งอยู่บางทีหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้นึกนะอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมา แล้วใจเราก็ปรุงต่อเลยสังขารทํางานต่อเลยคือคิดไปน่นอย่างโน่นอย่างนี้นี่หลวงพู่ดูลย์เห็นแลสัญญามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราสังขารมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราในเวลาไม่นานเลยนะหลวงพู่ดูลย์ก็เห็นว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมูทัยผลที่จิตสรงออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ ตัวนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าท่านพูดแบบออมไว้หน่อยหนึ่งที่จริงก็คือจิตแห็นจิตอย่งแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมัตย์เพราะท่านภาวนาได้รวดเร็วมากแล้วท่านก็สอนหลวงพ่อดูจิตเลยไม่สอนดูกายอย่างพวกเราหลวงพ่อเล่าเรื่องดูจิตให้ฟังเรื่อยๆพบกรรมฐานที่เหมาะกับคนยุคนี้คือการดูจิต คนรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมอกับทิฏฐิจริตนะคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสองอันนี้เหมอะกับพวกคิดมากหลวงปู่เดินเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองสมัยที่ท่านบอกหลวงพ่อไม่เชื่อเพราะใครๆเขาก็ดูกายทั้งนั้นทุกสํานักมีแต่กายไม่มีจิตออก แต่ว่าวันนี้สังคมมันเปลี่ยนวิถีชีวิตมันเปลี่ยนเราไม่ได้ทำงานที่ใช้แรงงานอะไรเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้ทำไร่ทำนาเราทำงานที่ใช้ความคิดคนรุ่นนี้ถูกสอนให้คิดเพราะนั้นจะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วม่เจริญปัญญาด้วยการดูกายดูเวทนาเนี่ททำยากกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็ดูจิตตัวเองไปดูมันทางานไป มันถึงรุ่งเรืองเพราะว่าไม่ใช่หลวงพ่อเก่งมันรุ่งเรืองเพราะว่าสภาพอะไรปัจจัยทั้งหลายมันเอืออ้ออํานวยให้เป็นไม่ใช่เพราะกูเก่งนะครับอยู่ไหนครับกับหลวงพ่อครับเอออยากถามหลวงพ่อว่าถ้าสมมติเราสงสัยเรารู้ว่าสงสัยเราไม่ต้องหาคําตอบถูกไหมครับถูกไม่เห็นจะต้องหาเลย สิ่งที่หามาได้ก็คือความจำใช่มใช้ความคิดไปหาคาตอบแล้วก็ได้คาตอบแล้วก็จำเอาไว้กิเลสไม่ลดเลยกิเลสไม่กลัวความคิดกิเลสไม่กลัวความจำกิเลสกลัวอันเดียวคือความจริงกิเลสเหมือนผีอ่ะกลัวแสงสว่างกิเลสมันกลัวความจริง หน้าที่เราก็คือดูซิจริงจริงกายนี้เป็นยังไงดูซิจริงจริงใจนี้เป็นยังไงไม่เข้าไปแทรกแซงขอบคุณครับอ้หนุ่มที่เพิ่งขอบคุณครับอ่ะจิตมันไม่เข้าทานนะกราบลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อเล่นงานก่อน เ, เพิ่งกราบลงพะะ่อหน้าเจ้าค่ะบอกว่าเดี๋ยวก่อน <laughs> กลัวจะไม่ได้พูดไอ ห, หนุ่มตะเกียจิตมันไม่เข้าฐานจิตมันยังอยู่นอกๆ อ, อยู่ลองหายใจซิอย่าถึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจไปเรื่อยๆจิตจะเข้าฐานไม่เข้าฐานก็เรื่องของจิตหายใจไปรู้สึกไปรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียจไม่เหมือนกันละไปทําให้ถูกนะถ้าทําจิตผิดที่ไม่ได้เรื่องหรอกเอา้าวทานี้ตาหนูละ กลับหลวงพ่อนะเจ้าคะ่ะอ่ทรงกันมานครั้งแรกคะ่ะอืมทําในรูปแบบทุกวันนะคะอืมอเมื่อกี้ตอนที่หนูจะพูดคํำว่าทะหนูสังเกตไหมใจมันหนีหนีไปคิดว่าจะใช้คําพูดอะไรอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหนึกออกไหมนึกออกเจ้าค่ะเออนั่นแหละหัดตัวอย่างนั่นแหละจิตจมันทํางานเราก็รู้นะเจ้าค่ะอก็แค่นั้นแหละที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อเอาถามก็ถาม หมดคำถามแล้วหรื อ, อไม่มีแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละจบแล้วเชิญกลับบ้านน อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งคนหนึ่ง <c oughs> ส่งไมค์มาเลยอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ย <c oughs> ใครฟุ้งซ่านยกมือสีมีอีกมันกำลังฟุ้งมาก ไม่รู้หรอกพ่อถามอะไรนึกจิตมีเห็นไหมจิตเบื่อนึกว่าได้เลิกแล้วได้ไหมยังยกมือยกมือเขาส่งไปไหนแล้วพ่อไม่รู้ครับส่งกันบ้านเป็ครั้งที่สองนะครับคิดว่าจะส่งดีหรือไม่ส่งดีเพส่งก็ทุกไม่ส่งก็ทุกก็ขอ เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองให้หลวงพ่อแล้วถ้าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อจะทุกไหมเนี่ยก็หลังที่ผมพูดจบขอหลวงพ่อตรวจทานด้วยนะครับอขอบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดนี้ขออยากได้เชื่อและผมอยากได้ไม่เชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าฟุ้งพูดไปเลยครับผมไม่ต้องอ่ารัำพบทผมปฏิบัติผิดมาอยู่ยี่สิบกว่าปีในชาตินี้แล้วชาติที่ นก็คือผิดมาตลอด hmm. แล้วมารู้ความจริงเลยว่าวันหนึ่งมันรู้ทางที่ถูกก็ตบว่าตัวเองเลยว่าควายด่าตัวเองเลยว่าโง่มากเลยอื hmm. แล้วฝึกอยู่สามวันผมทําสมาธิเข้าอนาบารสติหายใจผ่านลูกผมขนก็พูดง่ายทําสมาธินําปัญญาแล้วเดินปัญญาอยู่สามวันในชีวิตประจําวันอื hmm. ก็ได้พบว่าความจริงแล้วนักปฏิบัติคุณบ้าแต่กันแค่นิดเดียวคุณบ้าเขาบ้าจริงๆ hmm. นักปฏิบัติไม่ได้บ้าแต่เห็น โลคโกรธหลงคือโรงละครของกิเลสที่สร้างขึ้นอยู่ในกายในใจอยู่ตลอดเวลาแล้ววันที่สามผมก็ได้ยินเสียงของกิเลสพูดว่าพวกเราอยู่กันไม่ได้แล้วเขาจะมาพังรื้อพังบ้านของเราแล้วอืแล้วผมก็กลับไปทําสมาธิอีกสามวันทีนี้ก็จเจริญปัญญาควบไปในสมาธิเลยเล่าแบบรัดสั้นเลยนะผมก็ก็เห็นการเกิดดับของสังขารและรวมลงถึงที่จิตก็เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาผ่านไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งโลก กดทั้งหล่อมทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอืจิตมันหมดแรงดิน้นพอหมดแรงดิ้นตรงนี้ก็คือเข้าสัางขาพุ่งไปขายานอืมันไปเห็นสิ่งที่ถล่มลงมาอืพอเห็นสิ่งที่ถล่มลงมาปุ๊บผมก็อยู่ตรงนี้ผมก็ลุกขึ้นเดินเห็นอยู่ตรงนี้อยู่สามวันเดินไปเดินมาก็มีความรู้สึกมันไม่อิ่มแล้วมันก็ไม่อยากมันไปไม่ได้มันก็กลับไม่ได้อยู่สามวันบางท่านก็ อยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามวันเจ็ดวันแล้วแต่ไม่เคยมีใครทําแบบสารวจใช่หมครับพออยู่สามวันผมก็กลับมาทําเข้าสมาธิใหม่อีกทีนึงและจิตก็รวมอีกผมพูดได้ไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรได้พูดไปไอ้ที่ไหวๆมันก็คือแผนที่ของจั ก, กรวาลอืมไอ้สิ่งที่แหวกมันก็คืออาวัยอาวัเพศของผู้หญิงอืมเพราะผมเห็นอาวัยเพศของผู้หญิง ก็รู้เลยว่าคือการเกิดใหม่อืเกิดพันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอืรทําาริยส่์ตรงนี้แล้วก็ไปสัมผัสความว่างว่างว่างว่างวางแล้วก็ว่างมันอาจจะไม่ได้ด้วยเวลาที่มันรัดสั้นอาจจะรวดรัดเลยว่างมากแต่ก่อนที่จะไปเห็นนิพพานก็ต้องรู้อริยสัจอริยสัจลึกที่สุดเลยอืธรรมะแสดงอริยสัจคือตัวทุกข เขียนเป็นภาษาไทยตัวสีดําเลยอพอทหารสารอุกกอกไก่หงายข้างนอกเนี่ยแค่แวบเดียวนะแต่เวลามันยืดหดได้มันสามารถเข้าไปข้างในนั้นมันมันรู้อริยสัจอยู่นานพอสมควรอืกว่าจะไปรู้ตัวส ม, มุทยัยก็เขียนเป็นตัวอย่างสีสีดําเหมือนกันอืกว่าจะรู้นิโรธรู้มรรคเข้าใจตรงนี้เนานิโรธอ่ะสีอะไรสีดําเหมือนกันโลโลก็ดำทุกตัวสีดําหมดเลยครับอาจารย์แล้วก็พอเข้าใจตรงนี้มันก็จะเห็น พระนิพพานว่ารู้จริงๆแล้วอยู่ต่อหน้าต่อตาเรู้สียอะไรอ่ะพระนิพพานนะครับอพระนิพพานนะให้ผมดูมันมันเห็นนพระพุทธเจ้าไปที่เป็นกายเนื้อแต่ร่างมันปร่งแสงนะครับร่างปรงแสงแล้วก็ท่านก็รวมจิตเรากับท่านเข้าเป็นหนึ่งเดียวว่าทุกสรรพสิ่งคือสิ่งเดียวกันหมดเลยคือพุทธะหมดเลยไม่มีอะไรที่แปกแยกไม่ว่าอากาศดินน้ําลมไฟต้นไม้ตะต้นหรือแมลงอะไรทุกอย่างคือท่านให้รู้ว่าจิตท่านมีท่านเรียกลูกหมดเลยครับ อาจารย์อห้หลวงพ่อให้กันบ้านแล้วนะครับผมไปพูดโทรไว้ครับาจิตฟรรุ้งซานทะรัวฟุงซานไปทำตรงนี้เลยนะเอาให้ได้นะแล้วสิ่งหลวงพ่อตวรวจทานไหมครับผมไอ้ที่มันนิมิตครับผมแล้วทำไมไอ้เหมือนกับอย่างขาดเนี้ยสังเกตไหมใจมันมีโทรศัพท์แทรกแป๊บขึ้นมานี่มันแต่คือกิเลสมันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มั น, อมนบอก มากาครับ เ, เวลาเราหลงๆบางทีก็ไม่เห็นกิเลส ท, ที่ชัดเจนนะเพราะตัวหลงมันครอบไปหมดเลยแล้แต่พุโทโธพุโทโธพยายามรู้สึกตัวให้เยอะๆรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ไม่เคร่งเครียดนะอันนีมงนิมิตทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยไม่มีความหมายอะไรความหมายคือคําว่าสุดชีนะความบริสุทธิ์นะสังเกตไนมใจเรายัางมอมแมมอยู่ คือผมมันมีความรู้สึกมันไม่ได้อะไรใจมันร่าร้อนรู้สึกไหมใช่มันร้อนแต่ว่ามันนั่นน่ะถ้ามันได้มาผลเนี่ยนะมันจะไม่เป็นอย่างนี้คะนเนี่ยใจเราเร่าร้อนใจเราฟุ้งซ่านนะเพราะมันไม่ใช่ของจริงอย่าเสียดายมันนะใหม่เลยกับเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นพุทโธพุทโธไปแล้วก็ใจสงบก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้นะ มันเรียนเร็วเกินไปปัญญามันล้ําไปมันเป็นนนิพพานอะไรนิพพานอะไรเป็นองค์องค์โปร่งแสงอะไรเงี้ยไม่มีหรอกไม่คือมันเป็นนิมิตแต่ว่าแต่ทําไมถึงกิเลสผมมันถึงมันหายไปได้หอ่าหายชั่วคราวอ๋อชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ก็มามันจะเป็นนิมิตเกิดในสมาธิไงช่วงที่มีสมาธิมันยังไม่มีกิเลสหยาบหยบมันรู้สึกเบาขึ้นมากรู้สึกไม่งุดหงิด เะเออเนี่ยตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันมีกิเลสแต่เราไม่เห็นต่างงั้นกลับไปเริ่มต้นเลยมากใช่ดีที่ไม่เชื่อน่ะปกติขอวงพ่อไม่อยากแก้ให้ใครหรอกเดี๋ยวมันโกรธเราบางคนเราแก้ให้แล้วมันโกรธเราอาฆาตเราเลยนะคือหลวงพ่อพูดตรงๆมันติดอะไรอยู่ครับตอนนี้หนงสั้น แต่ผมเห็นผมเห็นความคิดที่มันผุดตลอดเลยนะเมื่อไรมันฟุ้งซ่านนะมาพุโทโธเรารู้ทันจิตตนเองไปครับผมขอบคุณครับหลวงก็อ